ก็จะทาหน้าที่ขจัดสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตนคืออกุศลให้บรรเทาปบะบางลงไปจนถึงกะหมดสิ้นไปในที่สุดในอการปฏิบัติเหล่านี้ทรงเรียงเป็นรูปของสมถะและวิปัสสนาสมถะเป็นการตั้งสติระลึกรู้ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างเด็ด โดตามปกติแล้วอารมณ์ที่ให้จิตสงบจะมีลักษณะเป็นกลางๆ ก, กับเป็นกุศลแต่ถ้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ดูที่ตัวอารมณ์ซึ่งมาปรากฏก่จิตแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆมองเห็นโทษแล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะลดล จึงสืบสาวสศึกษาสืบสาวไปจนถึงที่มาของกิเลสเหล่านั้นแล้วพยามที่จะดับที่ตัวสาเหตุของมันซึ่งก็มีการดับได้ทั้งสามระดับดับได้ในขณะของอารมณ์ดับได้ด้วยวิธีการทางสมาธิ ละดับได้โดยการตัดขาดไปเลยซึ่งผลจะเกิดขึ้นตามกำลังการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเดียวนั้นแต่นั้นจะพบว่าการที่ใจเกิดมีปัญหาขึ้นมาในเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นจากใจที่ไปเหนียวนึกไปตรุดนึกและนำเรานาสิ่งเดียานั้นมาปรุงมาคิด ที่จะใชก้กำวาปรุงคิดหรือคิดปรุงเป็นการเพิ่มปริมาณของความรู้สึกตอกนั้นให้สูงขึ้นโดยลำดับในลักษณะที่คิดแล้วคิดอีกดอกย้ำแล้วดอกย้ำอีกแต่ถ้าแกเกิดชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปปัญหามันก็ไม่มีอะไรมากและการประพฤติปฏิบัติถึงทรงวางเป็นขั้นตอนต่างๆเอาไว้ ว่าถ้าทำได้ระดับนี้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ระดับนี้ก็ขอให้ได้ระดับนี้แล้วก็เรียงกันไปเด็ด้วยจะลักษณะของอารมณ์ที่เป็นข้าศึกตจิตอารมณ์ห่สนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราก็มองเห็นโทษว่าถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นก็จะเป็นอันตรายก็พยายามหลีกเว้นหลีกหนีไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รสนั้น ที่ทรงอุปมาเหมือนกับคนเดินทางหลีกเว้นทางที่มีภัยอันตรายเสียเราไม่เดินไปในทางนั้นภัยอันตรายตรงนั้นก็เกิดขึ้นแก่เราไม่ได้นั้นคือวิธีหนึ่งแต่ตามปกติแล้วเราจะเลือกปฏิบัติขนาดนั้นทำได้ยากพระพุทมีพระเจ้าก็ทรงแสดงวิธีที่สองหมายความว่ากระทบกับอารมณ์เ่านั้นแล้ว อารมณ์นั้นแสดงพิษภัยเพิ่มปริมาณของกิเลสเพิ่มปริมาณความทุกข์ขึ้นมาแล้วจะทำยังไงว่าให้มีสติสามารถสลัดสิ่งเหล่านั้นให้ตกไปจากจิตจนเกิดโกรธวูบขึ้นมาก็ให้วูบเดียวหรือสองวูบแล้วก็ดับไปคล้ายกับสะเก็ดไฟที่ตกลงไปบนเสื้อผ้า มันไม่ทมันไหม้มันดับไปก่อนแต่ทำได้อย่างนี้เกิดดีแต่ถ้าทำขนาดนั้นยังไม่ได้หมายความลมเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตกค้างจะไปจิตแล้วก็ทรงสอนนั้นปล่อยคืออย่าไปอุ้มวไวอย่าไปกำไวหรือวางเลย ตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่ถึงท่งานราธารณชนทั้งหลายเห็นว่าอาการอุ้มอาการจับอาการยึดนั้นท่านเรียกว่าอุปาทานตามปกติแล้วจะยึดอยู่นานๆและนําไปสู่ปัญหาต่างๆที่เรานํามาเหนี่ยวนึกนํามาตรุกนึกก็เกิดขึ้นจากตัวอุปาทานนั่นเองแต่นั้นบุรุษเกตว่าเรานึกถึงคนนึกถึงสิ่งทั้งหลายในอดีต แล้วก็มีที่ผลต่ใจเรามาก็ออกมาสองแนวคือยึดด้วยความรักแล้วก็ยึดด้วยความชังหรือว่ายึดด้วยความเห็นสาใดที่ใจใจเรายัางยึดอย่างนั้นมันก็ยึดติดอย่างนั้นเองไม่พยายามมองไปในมุมอื่นในด้านอื่นปนัญหาก็กระจายออกไปภายในใจ อย่างเช่นสมมติว่ายึดไว้ด้วยความโกรธความไม่พอใจมันอาจจะเริ่มจะจุดเล็กๆแค่กระจุดไฟที่ไหม้ขึ้นมาในจุดเล็กๆแต่พอนำมายึดไปมากนำมาตรุกนึกนำมาเนี๋ยวนึกไปมากปริมาณของความยึดก็กระจายออกไปเช่นคนคนนี้เป็นศัตรูต่เรา ที่จริงก็เริ่มจากคนเดียวเอาคนนี้เป็นปัญญาเป็นสามีของศัตรูเราความโกรธก็เริ่มคืบคลานออกไปคนนี้เป็นญาติพี่น้องของศัตรูเราคนนี้เป็นลูกหลานของศัตรูเราคนนี้เป็นมิตรเป็นสหายของศัตรูเราคนนี้บ้านเดียวกับศัตรูเราคนนี้เมืองเดียวกับศัตรูเราโกโรธลามป่าออกไปเรื่อยๆตั้งๆ ท, งที่คนเหล่านั้นไม่ทำอะไรให้เรา สมมติว่าคนคนแรกทําอันตรายต่อเราก็คือคนคนนั้นแต่ว่าใจไปยึดเอาไว้พวกก็ปรุงออกไปเรื่อยๆแล้วกระจายลามปามออกไปตรงนี้เราจะเห็นอาการของพยาบาทอาการของโทสะอาการของอุปาทานอาการของโมหะที่ชัดเจนเพราะคนที่เราโกรธตอนหลังเราเกลียดตอนหลังนั้นไม่ได้ทําอะไรเราเลย เราก็โกรธเราก็เกลียดเขาได้เพราะใจเปรีุ้้มอารมณ์ที่ไม่ชอบต่อคนซึ่งเกี่ยวข้องกับคนเรานั้นบางครั้งก็กลายเป็นการจองเวน้นจองไปซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เพื่นสังเกตว่าเป็นพฤติกรรมของนักเรียนที่กรติกันในโรงเรียนต่างๆวิทยาลัยต่างๆทิ่ตีกัน คนที่ตัวทะเลาะ ก, กันจริงก็คือคนคนเดียวต่อมาขยายวงออกไปทั้งสองฝ่ายมองกันเป็นสีเสื้อมองกันเป็นตราโรงเรียนเป็นศัตรูกันไปเลยรู้จักไม่รู้จักไม่ได้เกี่ยวอะไรร้ายกันไปยิ่งกว่านั้นบางทีคนเหล่านั้นก็เป็นญาติพี่น้องกันพอดีอยู่คนละสถาบันกันก็เกิดเกิดทะเลาะ ก, กัน เพราะปัญหาการยึดติดในแนวนี้จึงสะสมออกมาเป็นรูปของอุปาทานเป็นความยึดติดเรย่องนาจของความใคร่ความปรารถนาความพอใจถ้าเราเห็นว่าแม้จะเริ่มจากความใคร่มันก็จะออกมาในรูปของความโกรธรูปออกมาในรูปของความพยาบาทออกมาในรูปของความหลงได้ อย่างที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความรักก็มีจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นความรักแต่อาจจะกลายเป็นความโกรธสมผลบางคนซึ่งเป็นศัตรูต่อคนที่เรารักเราจะเห็นว่า เป็นที่ราโกตรงนั้นไม่ได้ทําอันตรายอะไรต่อเราแต่ไปทําอันตรายต่อคนที่เรารักเราก็เกิดโกรธเขาอุปทานตรงนี้จึงแตกกิ่งออกไปเป็นเรื่องของโทสะเป็นเรื่องของพยาบาทแล้วการไปยึดในแนวนั้นก็แสดงให้เห็นถึงโมหะคือความไม่มีเหตุผลประก้บเป็นการยึดติดโดยหน้านของความคิดเห็นความปักใจฝังใจความยึดติดเอา เราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นใครมีเห็นมีความเห็นขัดแย้งกับตนก็เกิดโทสะใครมีความเห็นคล้อยตามตนก็เกิดโลภะเกิดความยินดีเราก็กลายเป็นเกาะกลุ่มต่อสู้กันทางความคิดเห็นซึ่งผูนสังเกตว่าบางครั้งเป็นการต่อสู้กันระดับโลก เนความคิดเห็นเรื่องระบบลทัทธิประชาธิปไตยลทัทธิคอมมิวนิสต์อย่างที่ต่อสู้กันหรือแม้แต่ความคิดเห็นในหลายๆเรื่องที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็แบ่งเป็นผู้เป็นฝ่ายสู้รบ ก, กันปนัญหาเหล่านี้บางครั้งบางคราวย้อนอดีตไปไกลและที่จริงมันไม่มีผลอะไรแล้วมันเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่เพราะใจไปยึดติดอยู่ในแนวนั้น สิ่งเหานั้นก็กลับมาสู่ปัญหามาสร้างปัญหาขึ้นมามีการถกเถียงนําไปสู่การทะเลาะวิวาทบางครั้งโครงสร้างรูปแบบของการ ป, รปฏิบัติแล้วก็ยึดติดว่าการปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องพยึดติดตรงนั้นมันก็กลายเป็นโทสะในอีกอย่างหนึ่งคือปฏิเสธการปฏิบัติในแนวอื่น จะข ก, การปฏิประ น, นอมการประสานประโยชน์กันการเข้าใจในสารัะในเนื้อหาตรงนั้นและนี่จริงแล้วเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลพอไม่ยอมใช้เหตุผลปัญหามันก็เกิดพอเราไปที่จริงในรูปแบบของการปฏิบัตินั้นไม่ได้บอกว่าย่างใดอย่างหนึง่งมันมีได้ทั้งหลายหลายอย่างประเด็นสําคัญอยู่ที่เนื้อหา ของสิ่งเหล่านั้นว่าเมื่อเกิดผลตามที่ต้องการร่วมกันหรือไม่ถ้าเกิดผลตามที่ต้องการร่วมกันก็ถือว่าถูกต้องแต่เพราะใจไปยึดมั่นเรือ่องอนาจของทิฏฐิไปปฏิเสธความเห็นของคนอื่นแล้วก็ยึดมั่นในเฉพาะความเห็นของตัวเองปัญหาต่างๆก็เกิดจนกลายเป็น ให้ความต้องการแก่กตัวเองเนี่ท่านเรียกว่าอัตวาทุ ป, ปทาธาความต้องการแก่กวาธาความคิดความอ่านการเชื่อถือตัวเองจะเป็นคนที่มีความรุนแรงก้าวร้าวมากไปด้วยโทสะมากไปด้วยโลภะหมายความว่าต้องการให้คนอื่นคล้อยตามตนพอคล้อยตามตนแล้วเกิดโลภะไม่คล้อยตามเกิดโทสะใจก็แกว่งระวังโลภะโทสะโลภะโทสะอย่างนี้ ดังนั้นจะเหนว่าปัญหาที่เกี่ยวกับการยึดติดในรูปแบบต่างๆก็นําไปสู่ปัญหาในลักษณะอื่นเป็นรูปแบบของการสะสมเชื้อของสิ่งไม่ดีลคล้ายๆกับเชื้อโรคที่มีการสะสมอยู่ภายในร่างกายถ้า ต, ตกลงไปนิดหน่อ ย, อยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายที่มือภูมิท่านทางเขาก็ขจัดออกไปได้ ทีมีพูดการพูดตึงสารพิษที่เปื้อนปนปนเปื้อนอยู่ในสถานที่ต่างๆที่จริงมันมีทั้งนั้นปหนัหาที่เขาพูดว่าอยู่ในขีดอันตรายหรือไม่กาหนดกันไว้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่านั้นก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายเป็นปกติธรรมดาทำนองคล้ายๆกับเราหายใจได้จริงเขามีฝุ่นละอองเข้าไปเยอะแยะไปหมด แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันต ร, รายอันต ร, รายมันก็ไม่เกิดเพราะลักษณะของสิ่งเดล่านี้ถ้าเก็บไว้ไม่สะสมอย่างต่อเนื่องใน้สุด ก, ก็ถูกสลายออกไปแต่ที่ปัญหาคือมีการสะสมในลักษณะทับถมลงไปก็กลายเป็นปัญหาที่นำความทุกข์ความเดืดร้อนมาให้ ชี้แจงว่าสองสายนี้เป็นสายของกิเลสตีสายหนึ่งนั้นเป็นสายของขันหมายความการยึดติดในเรื่องราวต่างๆโดยความรู้สึกผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความรู้สึกว่าเป็นของเรากับเป็นเราหรือเราเป็น มีของเราต่างๆไปนั้นมากในอดีตที่แตกไปทําลายไปเสื่อมไปตายไปสูญเสียไปเปลี่ยนแปลงไปถ้ายอมรับว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นก็จบคนตายก็ตายไปแล้วก็จบสิ่งต้องแตกก็แตกไปแล้วก็จบสิ่งสูญหายก็สูญหายแล้วก็จบทําไมจึงไม่จบเพราะใจมันไปยึด ยึดด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่ได้เป็นของเราเรือบางทีก็เป็นของคนอื่นไปแล้วเรื่องเหล่านั้นก็ถูกนํามาเก็บมากรัดรูป ม, มาเดือดร้อนมาเป็นทุกข์ดังนั้นแนวนี้พระพุทธเจ้าจึงสอจงทรงสอนให้ปล่อยวางโดยทรงแสดงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นเป็นภาระที่หนัก แต่คนก็มาแบกมาหามขันทั้งห้าเอาไว้การปล่อยวางขันทั้งห้าลงไปได้ก็เป็นความสุขแต่มีข้อแม้ว่าจะไปแบกภาระตรงอื่นเข้าไปอีกแต่ตามปกติแล้วกานสังเกตว่ามีเป็นอันมากที่ปล่อยวางได้แต่วางไม่ได้ก็ไปปลุกขึ้นมาทำนองสำนวนที่เขาพูดกับว่าปลุกผี แติ่งรั้นที่จริงมันเป็นอดีตไปแล้วคือตายแล้วแล้วเราก็ยปลุกขึ้นมาแล้วก็หลอกตัวเองปัญหาเหล่านี้มีเป็นอันมากที่เพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้แก่นตนผู้เจ้าเคยรับสั่งแสดงแก่พระสงฆ์ถึงการใช้ชีวิตเพราะในแง่ของความจริงและชีวิตเป็นเรื่องของขณะที่ต่อกันอย่างที่ซากกันปนัญหาว่าทํายังไงในแต่ละขณะนั้นให้ดี เรื่องผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วเรื่องยังไม่มาก็คือเรื่องไม่มาเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นที่เราต้องรับผิดชอบเพราะแตนตัวนี้ทรงสอนว่าการที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ต้องไหวยากการที่ไม่มาก็จะไปคาดหวังจะไปวาดหวังจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ แต่ว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะต้องหาสารประโยชน์จากตรงนั้นให้ได้ถ้าเรามองเป็นภาพที่เป็นรูปธปรรมเราเจนว่าการที่คนไปแบกยึดอดีตอนาคตปัจจุบันไว้มันเป็นภาพของคนที่หาบแล้วก็เทินไว้บนสีสัน จะเดินจะเขินก็ลำบากน้ำหนักที่จะต้านทานไว้มันก็มากแป็นเกิดแต่ถ้าปวดหาบออกมันมีแต่เทิดอย่างเดียวหรือมีแต่ชิ่วไปอย่างเดียวมันก็เบาหน่อยแต่แม้ในสิ่งที่ชิ่วนั่นเองมันก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำใจเือนกันอย่างในกรณีที่ทรงสอน เรามองดูคนเหมือนกับพ่อแม่ที่มองดูคนมองดูลูกคนตัวเองในขณะที่ลูกเดินอยู่พอลูกเริ่มเดินได้แม่ก็มองด้วยความเมตตานะั้นเป็นพื้นฐานพอลูกเดินได้ดีก็มองด้วยความมุทิตาคือเพลิดเพลิพ น, นชื่นชมยินดีที่ลูกมีความเจริญเติบโต ข, ขึ้น พอโรคซวนเซมีข้าวจะลม้มก็เกิดกรุณาวิ่งเข้าไปประคองไว้จิตมันก็วิ่งระหว่างเมตตากรุณาโมทิตาอย่างนี้ในช่วงนั้นแสดงว่าลูกยังเดินพ่อแม่ยังไม่มีความมั่นใจว่าลูกจะเดินได้แต่พอถ้าจุดหนึ่งเกิดมั่นใจลูกโตแล้วเดินได้วิ่งได้คล่องแคล่วดีแล้วพ่อแม่ก็ต้องทําใจเป็นอุเบขาได้ แสด้ม่ใจก็สงบได้แต่การสงบนั้นมันเกิดขึ้นจากปัญญาในการตรวจสอบว่าไม่มีปัญหาเพราะในขณะที่อุเบกขาเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปด้วยกรุณาหรือด้วยมุติตตาใความถ้ามีปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไขแต่ถ้าไม่มีปัญหาก็จะทำใจสงบลงไปได้ เป็นการเคลื่อนไหวของใจที่เหมาะควรแก่กรณีนั้นๆ้ใจมันก็ไม่หนักคือไม่แบกไม่หามอะไรมากเกินไปมุทิตามันเพลินอุเบกขามันสงบเมตต า, รากรุณาก็ยือกเยึกเย็นปรากฏขึ้นภายในใจทุกครั้งใจสัมผัสถึถงที่ดีงาม อุเบกขาธรรมะคือปรมิหาณจึงกลายเป็นเรือนใจแต่ปอกขันคือสิ่งที่มีชีวิตหรือแม้แต่ไม่มีชีวิตบางอย่างนั้นเราทำใจอย่างนั้นไม่ได้พอทําใจอย่างนั้นไม่ได้ก็เกิดมีปัญหาว่าเศร้าโศกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วคาดหวังเพิ่มฝัน จนถึงก็บนเพอรปรารถนาอนาคตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่นูซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่พยายามที่จะปลุกปลอบใจตัวเองให้มีความมั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนูบางครั้งปรุงมากไปก็กลายเป็นใช้ปัจจุบันไปกับอดีตกับอนาคตแต่ไม่อยู่กับปัจจุบัน มันกลายเป็นภาพควาชีวิตที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะอดีตเราก็แก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังไม่มาให้เราเจอเราได้ประโยชน์ปัจจุบันเองกลับสูญเสียไปเพราะนอนหมกพุ่นคุน ค, ค, ค, คิดถึงอดีตกับอนาคตพระอุปมาเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าม่เหมือนนกกระเรียนที่ปีกขนปีกมันหมด แล้วก็นอนอยู่ในหนองซึ่งน้ำแห้งขอดหมดแล้วปลาก็ตายมาแล้วน้ำจะดื่มกไม่มีอาหารจะกินก็ไม่มีที่จะไปก็ไปไม่ได้มันเป็นภาพของชีวิตทีุรุเลกทุเลยแล้วจิตใจที่ไปแบกไปอุ้มอารมณ์เอาไว้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพระก็ทรงสอนให้ปล่อย ให้วางอย่าไปอุ้มถ้าวางไม่ทันก็อย่าถึงก็เกาะรัดเอาไว้ห ร, รือแม้แต่จะกาะรัดเอาไว้อย่าออกมาตรึกนึกเพราะปัญหาใหญ่ทั้งหมดมผนสังเกตว่าวันอยู่ที่ตรึกนึกทิโรพเจ้าทรงใช้คาสังกับปาราโคบริษัทสกามความดั่ริเป็นความใคร้ของคน แน่นอนนะความความดำริก็เป็นโลภะของคนความดำริก็เป็นโทสะของคนความดำริก็เป็นโมหะของคนคนวนี้พุณสังเกตว่าจะมีคนด่าหรือคนทำให้รากรธเราผ่านขั้นตอนมาได้จนถึงแม้จะรับไปแล้วแต่ไม่นำมาคิดต่อทีิอนั้นก็อยู่ตรงนั้นเองก็จบ คนนั้นได้ทำทุจริตไปแล้วด้วยใจแล้วก็ด้วยวาจาเรานั้นอาจได้ยินเสียงที่ไม่ดีแต่ตรงนี้ที่จริงแล้วมันก็คือเสียงท่านนั้นเองถ้าเราไม่โต้อตอบแสดงว่าเราไม่ทำความชั่วโดยวาจาถ้าเราไม่โกรธตอบแสดงว่าเราไม่ทำความชั่วด้วยใจแต่อีกค่ายหนึ่งนั้นทาชั่วทั้งด้วยกายแล้วก็ด้วยวาจา พอปัจจุบันมาเทียบกันก็แสดงว่าปัจจุบันเขาไม่ดีมีทุจริตทางกายทางวาจาเราก็ดีมีทุจริต ท, ท, ทั้ทงวาจาทั้งใจเราดีเพราะเรามีสุจริตได้ทั้งใจทั้งวาจาแต่ถ้าเราเกิดขุนเคืองขึ้ น, นมาไม่ถึงกระดาษออกไปก็แสดงว่าเราก็ทุทจริตเฉพาะใจ จะเกิดความโกรธความพยาบาทขึ้นมาแต่ก็ไม่ถึงกระทําชัว่วเดียว่าจะเราก็ยังดีกว่าเขาหนึ่งส่วนถ้าเราไปโต้ตอบเขาเราก็เลวเท่ากับเขาเขาเลวเพราะด่าเราเลวเลว เ, เพราะด่าตอบเขาด่าเพราะโกรธเราก็โกรธตอบก็แสดงว่าคือกันที่พระเจ้ญญาทรงใช้ทรงอุ ป, ปมาเหมือนการบริโภคร่วมพราะหลักการสําคัญในการคิด ในวิธีของพุทธก็คือว่าบุคคลเดต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นหลักเป็นพื้นฐานในการดำเรงชีวิตที่นั้นหลายนั้นผ่านมาในชีวิตของเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาสําคัญจึงไม่อยู่ที่หลีกเลี่ยงหรือไม่หลีกเลี่ยงไอ้หลีกเลี่ยงได้ก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่เป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีเลี่ยงไม่ได้ก็คือการพยายามทําใจ เพราะปัญหามันจะเริ่มเกิดที่ตอนใส่ใจหรือสนใจนจะสมมติว่ารูปที่ผ่านมาทางทางตาจะเกิดความยินดีนยินร้ายหรือไม่นั้นมาอยู่ที่เราสนใจหรือไม่สนใจแต่เดนเองแม้จะมีรูปแม้รูปนั้นจะผ่านจะสุภาษิตขึ้นเราไปแล้วมีแสงสว่างที่เห็นรูปได้แต่เราก็ไม่สนใจรูปนั้นก็จบ ลองสังเกตเราเดินไปบนถนนนั้นเราเจอรูปเยอะแยะไปหมดแต่รูปนั้นมีอที่พลอะไรแต่เราเลยแสดงว่าปัญหาไม่ได้มาจากตัวข้างนอกอย่างนั้นแต่อยู่ที่ใจเราไปปรุงปรุงคิดคิ ด, คดปรุงโดยทายาดังกล่าวแล้วในเทศกาลปีใหม่ที่เรามาประรบกันในแต่และปีเป็นการปรารถนาอนาคต ต้องการผลอย่างนั้นอย่นี้อย่างโ น, น้นซึ่งล้วนแล้วแต่หน้าปรารถนาเท่านั้นแต่ในแง่ก็ความเป็จริงแล้วว่าผลที่เราต้องการจะเกิดขึ้นโดยการตั้งความปรารถนาหรือโดยการให้พรโดยการวงสรงออนวนแล้วโลกมันก็ไม่มีทุกข์หรอกเพราะมนุษย์ใช้เวลาไปเพื่อการนี้มากและเกิดแต่โลกก็คือของทุกข ธรรมชาติก็เป็นเขาอย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นปัญหาสำคัญว่าเวลากระทบอารมณ์อย่าไปเก็บกดอารมณ์เอาไว้เรื่องอดีตก็ปล่อยเรื่องผ่านไปแล้วจะปังเรื่องอนาคตยังไงยังไงมันก็ไม่มาใช้เวลาที่ปัจจุบันให้ดี วนแนวของศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่านแนวไตรเดขาที่จริงเป็นแนวปัจจุบันเป็นศีลานุสตินั้นที่การระลึกถึงศีลเป็นการระลึกถึงอดีตก็จริงแต่เราเราอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดศีบลบกพร่องขึ้นมาเราก็แก้ที่ปัจจุบันแต่ศีลเราบริสุทธิ์เราก็เกิดปีติปราโมทย์ในปัจจุบันถ้าอนาคตเข้ามาถึง เราก็ใช้ประโยชน์จากอนาคตที่เป็นปัจจุบันไปแล้วในขณะนั้นๆัเพราะงั้นถ้าใจใช้วิธีการของศีลด้วยใช้วิธีการของสมถะเพื่อทำใจใอยู่ที่ปัจจุบันคือการเรียกว่าสมาธิคือตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันทํางานอะไรก็อยู่กับปัจจุบันจะพูดจะเขียนหนังสือจะทํางานแม้แต่จะนอนก็อยู่กับปัจจุบัน อดีตก็ปล่อยผ่านไปอนาคตก็ไป่จำเป็นต้องคว้าเพราะคว้ามันก็ไม่ได้อยู่แล้วชีวิตบางก็ได้สาระได้แก่นสารที่ในปัจจุบันที่พเจ้าทรงใช้คำว่าตถาตถาวิปัสสติคือประยาไม่เห็นไปจากชัดถินประโยชน์ในขณะนั้นนันในกรณีนั้น น, น, น, น, นั น, นสมถะเป็นเรื่องของการใช้สติเป็นหลัก ปิปัสนาเป็นการใช้ปัญญาเป็นหลักโดยมีความเพียรเป็นตัวปรับกันเป็นตัวเพิ่มพลังในการที่จะเสริมสร้างความสนุกเสริมสร้างความรู้เท่าทันถึงสิ่งต่งางๆตามความเป็นจริงแล้วปฏิบัติัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของอารมณ์ที่บำังเกิดขึ้น ถ้าพลังแห่งธรรมะทั้งสามประการคือสติสมัมปชัญญะความเพียรมีมากพอบุคคลก็จะหาประโยชน์ได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป